พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้มีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ เราเรียกที่พึ่งของเราว่าลัตนะแปลว่าเพชรนินจินดาเพราะเพชรนินจินดาเนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดแต่ลัตนะที่เป็นที่พึ่งของเรานี้มีคุณค่า มากกว่าเพชรมินจินดาอีกหลายแสนหลายล้านเท่าแต่เนื่องจากภาษาที่มีความจำกัดไม่สามารถที่จะเอ่อยถึงคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ ก็เลยต้องใช้คำว่ารัตนะแต่ความจริงพระรัตนไตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีคุณค่ามากกว่าเพชรเินจินดาที่มีอยู่ในโลกนี้หลายล้านหลายแสนเท่าด้วยกันเพราะเพชรเินจินดา ที่มีอยู่ในโลกนี้จะให้ความสุขได้กับเราก็เฉพาะทางร่างกายจะดับความทุกข์ได้ก็เฉพาะความทุกข์ของร่างกายแต่จะไม่สามารถให้ความสุขทางจิตใจและดับความทุกข์ทางจิตใจได้เหมือนกับ ภาัตนาไตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามีเพศเยนจินดาเวลาเราต้องการอะไรที่จำเป็นต่อการเลี้ยงดูร่างกายเราก็เอาไปขายไปซื้อสิ่งต่างๆที่เราต้องมีไว้สำหรับดูแลรักษาร่างกายของเราได้ แต่เวลาที่เรามีความทุกข์ใจเราไม่สามารถใช้เพชรเนินจินดาไปซื้อสิ่งที่จะมาดับความทุกข์ใจของเราได้แต่ถ้าเรามีพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราจะสามารถดับความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในใจได้และป้องกันไม่ให้ทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นมาได้นี่คือความแตกต่างระหว่างเพชรนินจินดาของทางโลกกับเพชรนินจินดาของทางธรรมคือพระรัตนตรัยทาหน้าที่ต่างกัน หน้าที่ที่สำคัญกว่าคือหน้าที่ของการดับความทุกข์ใจเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถทำหน้าที่นี้ได้นอกจากพระรัตนใจเท่านั้นพระรัตนใจนี้ก็มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันคือพระรัตนใจนอกกับ พระรัตนภัยในเปรียบเหมือนกับยารักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายยานี้ก็มีสองแบบยาที่อยู่ข้างนอกร่างกายและยาที่อยู่ภายในร่างกายเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม้ว่าเราจะมียาชนิดต่างๆ อยู่ในบ้านถ้าเราไม่เอายาเหล่านั้นเข้ามาในร่างกายยาเหล่านั้นก็จะไม่สามารถทำหน้าที่รักษาร่างกายให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ฉันใดพระรันตนใจนอกก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ ภายในใจของเราได้ถ้าเราไม่เอาพรตัตนไตรยที่อยู่ภายนอกเข้ามาสู่ภายในใจของเราพระรัตนตรัยภายนอกก็คือพระพุทธเจ้าที่เรามีความคารวนับถือกราบไหว้บูชาท่านเป็นพระรัตนตรยัยเป็นพุทธรัตนต นอกยังไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจของเราได้พระาะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีจารึกไว้ในสื่อต่างๆก็เป็นพุทธเป็นธรรมรัตน์นอกไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้ภาษาธรรรัตนะ์ คือพระอาลยสงสาบุกก็เป็นสังฆละตะนานนอกวาจา์พระอาราหันต์ทั้งหลายที่เรากล่วาวไหวบูชาท่านก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้เพราะท่านเป็นเหมือนยาที่อยู่ภายนอกร่างกาย พระรัตนตรัยนอกก็เป็นเหมือนอยารักษาโรคใจที่อยู่ข้างนอกใจเราต้องเอาพระรัตนตรัยนอกนี้เข้าสู่ภายในใจเพื่อให้เป็นพระรัตนตรัยในให้ได้ถ้าเรามีพระรัตนตรัยในมีพุทธธรรมสังฆะอยู่ในใจเราก็จะสามารถ ดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจได้และป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาภายในใจได้ดังนั้นหน้าที่ของพวกเราถ้าเราอยากจะได้มีที่พึ่งอันสูงสุดนี้เข้ามาปกป้องคุ้มครองรักษาจิตใจของพวกเรา เราจาเป็นที่จะต้องน้อมเอาพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะที่อยู่ภายนอกนี้เข้ามาสู่ภายในใจของพวกเราวิธีที่เราจะน้อมเข้ามาให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประดิษฐานอยู่ภายในใจของเราก็เหมือนกับเวลาที่เราไปซื้อพระพุทธรูป ตามร้านต่างๆเราก็ต้องใส่รถขับรถแล้วก็เอากลับมาที่บ้านแล้วก็ยกพระพุทธรูปเข้ามาประดิษฐานไว้ในบ้านของเราเรากางที่เราจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาประดิษฐานภายในใจของพวกเราพวกเราก็ต้อง น้อมเข้ามาด้วยการศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครศึกษาว่าพระธรรมคำสอนนี้สอนอะไรศึกษาว่าพระอริยสงสาวกนั้นท่านเป็นอริยสงสาวกได้อย่างไรเมื่อเราศึกษาแล้วท่านต่อไปเราก็ต้องปฏิบัต ตามที่เราได้ศึกษาพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้อย่างไรพระอริยสงสาวกท่านเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาได้อย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติแบบเดียวกับท่านพอทำคำสอนที่ท่านทรงสอนให้เราปฏิบัติกันนั้นท่านสอนให้เราปฏิบัติอะไรบ้าง เราก็ต้องปฏิบัติตามที่ท่านสอนถ้าเราปฏิบัติได้ปฏิบัติตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตามแบบฉบับของพระอริยสงฆ์สาวกได้เราก็จะได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปฏิสธานอยู่ภายในใจของพวกเรา นี่คือวิธีการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่องอันประเสริฐนี้เข้ามาอยู่ภายในใจเพื่อจะได้เป็นที่พึ่องอันประเสริฐของเราแต่ละคนพวกเราแต่ละคนนี้จําเป็นจะต้องน้อมเอาเข้ามาในใจด้วยตนเองปฏิสถานพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยตนเองไม่มีใคร จะประดิษฐ์สถานแทนกันได้เราไม่สามารถน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปสู่ใจของสามีของเราได้ของภรรยาของเราได้ของบุตรของธิดาของเราได้ของบิดาของบรรดาของพวกเราได้แต่ละคนนี้จะต้องศึกษาจะต้องปฏิบัติ กันเองถึงจะน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าป่าปฏิสฐานภายในใจของตอนเองได้นี่คือสาระสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนก็มีอยู่เพียงเท่านี้ คือน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกให้เข้ามาสู่ภายในใจเท่านั้นเองเพราะตอนนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกนี้ยังไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้นั่นเองพวกเรามีพระพุทธรูปไว้กราบว่าบูชากันพวกเรามีหนังสือธรรมะไหว้อ่านกัน พวกเรามีพระ อ, อริยสงฆ์สาวกไปกราบไหว้บูชากันแต่ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราก็ยังมีปรากฏขึ้นมาให้พวกเราได้สัมผัสรับรูบร้อยู่เรื่อยๆนั่นก็เป็นเพราะว่าเรามีแต่พระรัตนะไตรนอกนั่นเองเรายังไม่มีพระรัตนะไกลใน เพราะเรายังไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้และไม่ได้ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองคือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี่คือสิ่งที่พวกเราขาดกันยังไม่ได้ศึกษามากพอ จึงไม่ได้ทำให้ได้ออกปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์ปฏิบัติบ้างบางครั้งบางเวลาไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องซึ่งเหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่ปลูกแล้วก็ไม่มาเหลยวแลดูแลไม่รดน้ำพลวนดิน อยู่อย่างสม่ำเสมอต้นไม้ก็ไม่มีโอกาสที่จะเติบโตจเจริญ ง, งอกงามขึ้นมาได้เพราะการทำนุบำรุงรักษาต้นไม้นั้นไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองการที่เราจะน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ภายในใจของเราเพื่อมา ดับความทุกข์ภายในใจของเราต้องทำอย่างต่อเนื่องเหมือนกับการรับประทานยาเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วหมอสั่งให้เรารับประทานยาชนิดนั้นชนิดนี้ตามเวลานั้นตามเวลานี้ถ้าเราไม่ทำตามหมอสั่งรับประทานบ้างไม่รับประทานบ้างโรคภัยไข้เจ็บ ที่เป็นอยู่ก็จะไม่หายหรือถ้าหายก็อาจจะหายช้าแต่ถ้าเราปฏิบัติตามที่หมอสั่งทุกประการไม่กี่วันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะหายไปได้ฉันใดการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้า ตามแบบฉบับของพระ อ, อริยสงสาบุกก็ต้องมีเป็นการกระทำกันอย่างต่อเนื่องทำควบคู่กันไปการศึกษากับการปฏิบัตินี้ไม่ได้แยกออกจากกันคือไม่ต้องรอศึกษาให้จบพระไตรปิฎกก่อนได้ป ร, ริยนก้าวก่อนเราถึงค่อยออกปฏิบัติการปฏิบัติการศึกษานี้ พอเราเริ่มศึกษาท่านต้นว่าเราต้องทําอะไรเราก็ทําไปเช่นขั้นต้นท่านก็สอนให้เราทําบุญให้ทานอย่างสม่ําเสมอรักษาศีลห้าอย่างสม่ําเสมอเราก็น้อมนาเอาไปปฏิบัติทําบุญทําทานทุกวันถ้าไม่มีพระมาบิณฑบาตก็เอาเงินที่จะใส่บาทนั้นใส่กระปุกเอาไว้ แล้วก็ทำความเข้าใจว่านี่เป็นเงินทำบุญไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ทำในภารกิจอย่างอื่นได้แล้วเวลาที่เราต้องมาวัดหรือเวลาที่มีผู้มาบอกบุญเช่นผ้าป่ากระถินหรืองานบุญต่างๆเราก็สามารถเอาเงินที่เราใส่ในกระปุกนี้ เอาไปทำบุญได้เลยอย่างนี้เราก็จะได้ทำบุญทุกวันการทำบุญทุกวันนี้สาคัญเพราะจะทำให้มันเป็นนิสัยพอเราได้ทำแล้วเราจะเกิดความสุขใจอิ่มใจแล้ววันใดที่เราไม่ได้ทำเราจะรู้สึกงุดหิดใจรู้สึกว่าเราขาดอะไรไป เหมือนกับการรับประทานอาหารที่เรารับประทานทุกวันวันไหนที่เราไม่ได้รับประทานอาหารเราจะรู้สึกไม่สบายใจไม่สบายกายนี่คือการศึกษาและการปฏิบัติท่านสอนให้เราทำทานไปเรื่อยเป้าหมายสูงสุดก็คือให้เรา สละทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่ไปให้หมดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นที่พึ่งทางใจนั่นเองและนอกจากไม่ได้เป็นที่พึ่งทางใจแล้วมันยังเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเรายังต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้เงินใช้ทอง หาเงินหาทองเราก็จะไม่พ้นจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรื่องของเงินทองดงนั้นการมีทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองจึงไม่ได้เป็นทางสู่การดับทุกข์การสู่การดับทุกข์นี้ต้องสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดอย่างที่พระพุทธเจ้า และพระอริยสงสาวุกทุกรูปได้ปฏิบัติกันท่านก่อนที่จะมาเป็นนักบวชท่านก็เป็นคารวะผู้ครองเรือนเหมือนพวกเราท่านก็ต้องวุ่นวายกับเรื่องการหาเงินหาทองกับการใช้เงินใช้ทองกับการรักษาเงินทองเมื่อต้องวุ่นมันก็จะทำให้ใจไม่สงบ ใจไม่สงบใจก็จะไม่มีความสุขถ้าไม่มีเรื่องเงินเรื่องทองมาให้เราต้องเกี่ยวข้องด้วยเราก็จะได้ตัดปัญหาเรื่องของความวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องเงินทองไปพระอริยสงฆ์สาวกทุกลูกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกันไปหมด แล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชกันอยู่ตามสภาพของนักบวชคือไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองใช้การบิณฑบาตเป็นการเลี้ยงชีพและอยู่ตามมีตามเกิดตามป่าตามเขานี่คือสภาพของ พระพุทธเจ้าและของพระสาวกทั้งหลายนี่คือวิธีปฏิบัติของท่านเกี่ยวกับเรื่องของการทําทานสําหรับพวกเราถ้าเรายังไม่สามารถที่จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้หมดไปได้เราก็ต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนไปเป้าหมายสุดท้ายก็คืออยู่ที่การสละเงินทองไปให้หมดนะ เพื่อจะได้ไม่ต้องมามีความวุ่นวายมีภาระเกี่ยวกับการดูแลรักษาหรือหาเงินหาทองหรือใช้เงินใช้ทองเพราะการใช้เงินใช้ทองนี้ถ้าจะดับความทุกข์ได้ก็เฉพาะความทุกข์ทางร่างกายเช่นยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปซื้อยาไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลได้ ยามขาดแคลนอาหารก็ใช้เงินซื้ออาหารมารับประทานได้แต่จะไม่สามารถยับยั้งความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆได้เช่นการพัาดพลาคจากกาันเช่นการสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปหรือการที่จะต้องพบกับความแก่ของร่างกายพบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย และพบกับความตายของร่างกายเงินทองเหล่านี้จะไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจได้จึงต้องสละไปเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาสร้างที่พึ่งทางใจน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ภายในใจด้วยการบําเพ็ญสัมม า, าธรรม ทำของผู้เป็นนักบวชถ้าเป็นผู้คลองเรือนยังไม่ได้ออกบวชก็ให้ทําทานไปเรื่อยๆแล้วก็ให้รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ให้ถือศีลห้าเป็นนิจจะศีลคือเป็นปกติจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพโซลายาเมาตลอดตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ ทำอย่างนี้ไปก่อนแล้วค่อยพัฒนาขึ้นไปทานก็ทําให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอจากร้อยละสิบก็เป็นร้อยละยี่สิบร้อยละยี่สิบก็เป็นร้อยละสามสิบให้ไปเรื่อยๆเก็บไว้เท่าที่จําเป็นแล้วก็พัฒนาศีลจากศีลห้าขึ้นไปสู่ศีลแปดแล้วก็มาฝึก เจริญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาเจริญสมถะด้วยการปีกวิเวกไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดในวันที่ว่างจากภารกิจการงานต่างๆไปหาสถานที่สงบสงัดตามวัดป่าวัดเขาบ้างหรือตามสถานที่ที่เรารู้จักที่มีความสงบ ที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจไปบําเพ็ญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาการบําเพ็ญสมถะภาวนาก็ด้วยการเจริญสติสติเป็นสิ่งที่จะควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบสติเป็นสิ่งที่จะยับยั้งความคิดปรงแต่งต่างๆให้หยุดไปให้หายไป ถ้ามีความคิดปุงแต่งอยู่ภายในใจใจจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ต้องทาใจให้มีสติควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะสร้างสตินี้ก็มีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบชนิดนกรรมฐานสี่สิบชนิดนี้เป็นเครื่องมือ ที่ใช้สำหรับการสร้างสติเช่นในกลุ่มของพุทธอนุสติก็มีอยู่สิบประการสิบชนิดด้วยกันเช่นพุทธานุสติการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นระลึกถึงพระพุทธคุณตามบทสวดมนต์ก็ได้อิติปิโสภะกวาอราหังสัมมาสัมพุทธโธสวดไปในใจอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ถ้าธรรมานุสติก็เราเลิกถึงพระธรรมคุณถ้าสังขานุสติก็เราเลิกถึงพระสังขคุณหรือถ้าจะเอาแบบย่อๆก็พุทธโธธัมโมสังโฆเราเลิกถึงพระพุทธคุณก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปเราเลิกถึงพระธรรมก็บริกรมรมธัมโมธัมโมไป เราลึกถึงประสงค์ก็บริกรรมสังโคสังโคไปเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเป็นที่ดึงใจไม่ให้ไหลไปกับกระแสของความคิดต่างๆนั่นเองใจก็เป็นเหมือนกับคนที่ลอยอยู่ในน้ำน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากถ้าไม่มีอะไรเกาะก็จะต้องถูกน้ำพัดพาไป ถ้ามีอะไรเกาะยึดไว้ได้เช่นกิ่งไม้ต้นไม้หรือเสาหลักอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะสามารถที่จะยับยั้งการไหลไปตามกระแสน้าได้ฉะนั้นใดกสิสติก็เป็นเหมือนหลักที่ให้ใจได้ยึดไว้เพื่อจะได้ไม่ไหลไปตามกระแสของความคิดต่างๆเพราะถ้าไหลไปตามกระแสของความคิด ก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วก็จะทำให้อยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้แต่ถ้ามีเสามีหลักยึดไว้เช่นมีพุโทโธมีธรรมโมมีสังโคอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสามอย่างอันนี้แล้วแต่อุบายของผู้ปฏิบัติแต่ละท่านจะใช้กัน ใช้แบบไหนก็ได้ผสมกันอย่างไรก็ได้ถ้าทำให้ใจสงบใจนิ่งก็ถือว่าใช้ได้ถ้าทำให้ใจไม่ต้องคิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นถึงเรื่องนี้ก็ถือว่าใช้ได้ขอให้ได้ผลคือความหยุดของความคิดปรุงแต่งต่างๆหรือให้มันน้อยลงไปตามลำดับได้หมดไปในที่สุดนี่คืออนุสติสามชนิดพุทโธ พุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติอีกข้อก็เรียกว่าอานาปนาสติก็คือการระ ล, ลึกถึงลมหายใจเข้าออกเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาอันนี้จะเหมาะเวลาที่เรานั่งสมาธิเพราะลมนี้เป็นของที่ละเอียดถ้าเราทำอะไรอยู่เดินไปเดินมาเช่นเดินจงกรม การดูลมอาจจะไม่ชัดเจนไม่ถนัดเหมือนกับการดูร่างกายถ้าดูร่างกายก็เรียกว่ากายกตาสติเช่นดูการเคลื่อนไหวของเท้าก้าวไปเท้าซ้ายก็รู้ว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าก้าวเท้าขวาให้รู้อยู่กับการเดินไปเดินมาของเท้าไม่ให้ไปคิดถึง เรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ใจก็จะมีที่ยึดใจก็จะไม่ไหลไปตามกระแสความคิดปรุงแต่งต่างๆนี่เรียกว่าอนาปนาสติถ้านั่งอยู่เฉยๆก็ดูลมหายใจเข้าออกจะสบายกว่าจะง่ายกว่าดูที่จุดใดจุดหนึ่งไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาให้อยู่จุดเดียว ถ้าตามเข้าตามออกใจจะไม่นิ่งใจจะจะไม่สงบถ้าอยากจะให้สงบใจต้องนิ่งสักแต่ว่ารู้อยู่จุดใดจุดหนึ่งอยู่ที่ปลายจมูกที่ลมสัมผัสเข้าออกก็ได้อยู่ที่กลางอกก็ได้เวลาลมเข้าจะรู้สึกว่าอกจะพองขึ้นมาเวลาลมออกไปก็จะรู้สึกว่าอกได้ยุบลงไป บางแห่งก็สอนให้บริกรรมกํำกับคำว่ายุบหนอพองหนอไปด้วยจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านข้อสำคัญทั้งหมดนี้อยู่ที่ว่าเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองให้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกอย่างนี้เรียกว่าอานาปณสติ ห ร, ห, หรือจะใช้มรณานุสติก็ได้การระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆระลึกว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายสักวันหนึ่งคนที่เรารักก็ต้องตาย mm. เช่นบิดามารดาของเราก็ต้องตายสามีภรรยาของเราก็ต้องตายบุตรธิดาของเราก็ต้องตาย คนทุกๆคนที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ต้องตายกันไปหมดไม่ช้าก็เร็วคิดอย่างนี้เราก็เรียกว่ามรณานุสตินี่คือวิธีสร้างสติขึ้นมาเพื่อที่จะได้ระงับความคิดปรุงแต่งต่างๆผู้ปฏิบัติก็ต้องพิจารณาเลือกดูเอาว่าเวลาไหนเหมาะกับ การใช้สติแบบไห น, นเราก็ใช้ไปเพื่อให้เกิดความสงบขึ้นมาถ้าใจสงบก็จะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขต่างๆที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ความสุขที่เราได้รับจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงเกลิ่นลดพลภพนี้จะ ไม่มีความหมายเลยสำหรับผู้ที่ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นเหมือนกับเพชรกับก้อนหินดีๆนี่ความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณนี้มีคุณค่ามีน้ำหนักราคาเหมือนกับก้อนหินส่วนความสุขที่เราได้รับจากความสงบนี้มีคุณค่าราคาเหมือนกับเพชรนินจินดา ถ้าเราได้เพชรเหนจินดาแล้วเราจะไปเสียดายกับก้อนหินไปทำไมผู้ที่ได้พบกับความสงบภายในใจแล้วจะสามารถสละลาบยศสลเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปได้อย่างง่ายดายเนี่ยถ้าใครได้บาเพ็ญจิตตภาวนาส ม, มถะภาวนาจนได้รับผลของการภาวนาคือได้พบกับ ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แล้วก็สามารถที่จะทำทานแบบพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารกทั้งหลายได้สะละราชสมบัติได้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆได้แล้วก็ไปอยู่แบบขอทานได้อย่างสบายไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยอย่างพระพุทธเจ้า ตอนที่ทรงออกสเสด็จออกจา ก, กวังนั้นระหว่างทางก็ได้ไปพบกับขอทานสวนทางกับขอทานขอทานเห็น เ, เครื่องฉลองพระองค์ที่ทรงสวมใส่อยู่นั้นมีความสวยงามเพราะเพิ่งสเสด็จออกจากพระราชวังมาใหม่ๆขอทานนี้ก็ใส่เสื้อผ้าแบบผ้าขี้ริว้วเห็นแล้วก็อยากจะได้ชุดฉลองพระองค์ของพระพุทธเจ้าก็ขอแลก เปลี่ยนกับพระพุทธเจ้าแทนที่พระพุทธองค์จะทรงลังเกียจพระพุทธองค์กับทรงมีความยินดีไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าพระองค์เป็นพระราชโอรสอยากจะให้ใครเขารู้จักพระองค์ว่าเป็นขอทานธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นจึงยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเครื่องฉลองพระองค์กับเสื้อผ้าของคนขอทานไปนี่ลักษณะของใจที่มีความสุข ที่เกิดจากความสงบจะไม่เห็นคุณค่าจากความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้เลยเช่นเสื้อผ้าอภรร์วิจิตพิสดารมีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนี้จะไม่มีความหมายสำหรับใจของผู้ที่พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบเลยคนที่มีความสุขจากความสงบนี้จะเป็นคนที่อยู่แบบสมถะเรียบง่าย แต่งเนื้อแต่งตัวนี่แบบเหมือนขับขอทานดีๆนี่แต่คนทางโลกเห็นแล้วกับดูถูกเหยียดหยามไม่รู้ว่าเป็นแบบผ้าคีริ้วห่อทองคนที่ใส่เสื้อผ้าแบบผ้าคีริ้วนี้แต่ห่อทองคาภายในใจทองคาก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี่เองส่วนพวกที่สวมใส่เสื้อผ้า ขาพรที่มีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนั้นก็เป็นเหมือนหอ่อหอเศษขยะนั่นเองหอใจที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยความทุกข์ความวิตกกังวลต่างๆนานาสังเกตดูคนที่มีฐานะร่ำรวยนีย่หน้าตาจะไม่ค่อยยิ้มย้มแจ่มใสหน้าตาจะเครียดอยู่ตลอดเวลาเพราะ มีเรื่องมากที่จะต้องคอยวิตกคอยกังวลคอยดูแลรักษาแต่คนที่มีความสงบทางใจนี้ไม่มีอะไรต้องดูแลรักษามีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ดูแลรักษาตนเองแทนที่จะต้องไปรักษาสิ่ ง, งต่างๆกับมีทำมารักษาใจของตนทำจึงใจจึงเป็น ใจจึงมีแต่ความสุขความสบายใจจะให้อยู่ในรูปแบบใดนั้นไม่มีปัญหาเลยอยู่ที่ไหนตรงไหนก็อยู่ได้อยู่ใต้สะพานก็อยู่ได้อยู่ใต้โคนไม้ก็อยู่ได้อยู่ตามเงื่อมผาก็อยู่ได้อยู่ตามถ้าก็อยู่ได้นี่คือผลที่จะได้รับจากการเจริญสติ พอเราได้ Paradise, มีสติอย่างต่อเ น, นื่องแล้วใจก็จะต้องสงบใจก็จะมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วก็จะไม่ยินดีกับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสผดภพะอยากจะสละไปให้หมดเพราะไม่อยากจะต้องเป็นภาระดูแลรักษามันอีกต่อไปก็จะให้ผู้อื่นไปแล้วตนเองก็ขอไปบําเพ็ญ เพื่อสร้างความสงบนี้ให้มีอย่างต่อเนื่องในเบื้องต้นความสงบนี้ก็ยังเป็นแบบล้มลุกคุกคานอยู่ได้บ้างไม่ได้บ้างได้มาแล้วก็หายไปจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้อย่างต่อเนื่องเพราะเหตุที่มันหายไปก็เพราะว่าขาดตอนของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมันก็จะผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าปฏิบัติแล้วหยุดไปทำภารกิจอย่างอื่นมันก็จะไม่ผดขึ้นมามันก็จะจางหายไปผู้ปฏิบัติพอเห็นได้เห็นผลแล้วจะรู้จะเห็นความสำคัญของการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็เห็นความสำคัญว่าจะต้องละทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อที่จะได้มีอิสระภาพมีเวลาที่จะได้ไปบปําเพ็ญอย่างต่อเนื่องนั่นเอง แล้วพอบาเพ็ญอย่างต่อเนื่องความสงบนี้ก็จะผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะทำให้ก้าวหน้าขึ้นสู่ทำระดับขั้นต่อไปคือระดับวิปัสสนาภาวนาเพราะทำระดับสมะถะภาวนานี้จะสามารถรักษาความสงบให้ได้ในเฉพาะเวลาที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นเวลาออกจากสมาธิมาก็จะ ความสงบนั้นก็จะจางหายไปถ้าอยากจะให้ได้ความสงบนั้นก็ต้องกลับเข้าไปใหม่อันนี้เป็นวิธีแรกแต่ถ้าอยากจะไม่ต้องกลับเข้าไปใหม่อยากจะให้สงบตั้งในขณะที่อยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในเวลาออกจากความสงบมาก็ต้องใช้การเจริญวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนาก็คือการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้น ให้เห็นความจริงของของใจว่าใจสงบเพราะอะไรใจไม่สงบเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ได้ทรงค้นพบความจริงอันนี้ทรงค้นพบว่าใจไม่สงบเพราะความอยากต่างๆความอยากสามประการด้วยกันคือกามวััญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์ภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นและวิภาวะตันหา ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าตราบใดยังมีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจเวลาออกจากสมาธิมาความอยากเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะมาทำลายความสงบที่ได้จากการเข้าไปในสมาธิถ้าอยากจะให้ความสงบนี้คงอยู่ต่อไปหลังจากที่ออกมาจากสมาธิแล้ว ก็ต้องใช้ปัญญาคอยกำจัดความอยากต่างๆสิ่งที่จะกำจัดความอยากต่างๆได้นี้เราเรียกว่าายรักเรียกว่าปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิเช่นต้องเห็นทุกสิ่งยกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะสาม า, า, มารถควบคุมบังคับได้ แล้ก็ต้องเห็นว่าร่างกายของคนทุกคนนี้ไม่สวยไม่งามเวลาตายไปนี้ไม่น่าดูเวลาอยู่ในเวลาเห็นส่วนที่ไม่น่าดูภายในร่างกายเช่นดูส่วนที่ถูกหนังนี้หุ้มห่อปกปิดเอาไว้ถ้าสามารถมองเข้าไปภายในเห็นอวัยะวะต่างๆได้ ก็จะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ได้สวยงามเลยเมื่อเห็นว่าไม่สวยงามก็จะได้ไม่เกิดการอารมณ์กับร่างกายถ้ามีการอารมณ์กับอาหารเห็นอาหารแล้วอยากจะรับประทานนึกถึงอาหารแล้วอยากจะรับประทานก็ต้องนึกถึงสภาพที่ไม่น่าดูของอาหารเช่นในขณะที่อยู่ในปาก ที่ผสมกับน้าลายแล้วถูกบดถูกเคี้ยวด้วยฟันหรือสภาพที่อยู่ในท้องเวลาอาเจียนออกมาหรือเวลาที่ขับถ่ายออกมานี่ก็คือสภาพของอาหารที่เราหลงไหลข้างใครหามารับประทานกันแบบไม่รู้จักหยุดจักหย่อนถ้าลองนึกถึงสภาพอันที่ไม่น่าดูของอาหารเหล่านี้ในขณะที่เกิดความอยาก เราจะสามารถดังนับความอยากได้ความอยากอาหารนี้มันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมเพราะถ้าเราอยากอาหารแล้วรับประทานมากๆบ่อยๆเราจะไม่สามารถภาวนาได้เราจะไม่สามารถรักษาศีลแปได้ศีลแปก็คือให้เรารับประทานอาหารเพียงเที่ยงวันเท่านั้นหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะไม่รับประทานอาหาร ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็จะภาวนาไม่ได้ถ้าอยากจะภาวนาทําใจให้สงบก็ต้องใช้อาหารเลยปฏิกู ล, ลสัญญาอันนี้คือการนึกถึงสภาพของอาหารที่ไม่ไมน่าดูนึกถึงอาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้องหรืออยู่ในลําไส้เวลาออกมาแล้วนี่เป็นอย่างไรถ้าเห็นสภาพของอาหารเหล่านั้นแล้ว ความอยากจะรับประทานอาหารจะหายไปหมดอย่าไปนึกถึงภาพของอาหารที่อยู่ในจานถ้าเห็นภาพอาหารที่อยู่ในจานแล้วน้ำลายจะไหลต้องเห็นตอนที่มันออกมาจากทวารหนักแล้วน้ำลายมันจะหดหายไปแล้วก็จะทำให้ใจสงบสามารถกลับมาบเมมภาเพ็ญสมถภาวนาได้นี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาที่จะมา ดับความอยากต่างๆให้หมดไปได้ทุกครั้งที่เราอยากเป็นอะไรอยากได้อะไรถ้าคิดถึงความตายแล้วความอยากความเป็นนั้นมันจะหายไปถ้าไปหาหมอวันนี้แล้วหมอบอกว่าจะต้องตายไปในสามเดือนหกเดือนยังอยากจะเป็นนายกยังอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยู่หรือเปล่ามันไม่อยากแล้วเพราะว่ามันรู้ว่าชีวิตดานี้เดี๋ยวก็หมดแล้วชีวิตของพวกเราทุกคนนั้ก็ไม่มีใครรู้ว่าจะตายกันเมื่อไหร่ แต่ที่รู้อยู่ที่แน่ๆก็คือว่าต้องตายด้วยกันทุกคนและเวลาจะตายก็ทุกกันเพราะว่ายังอยากอยู่นั่นเองความอยากอยู่นี่ก็เป็นต้นเหตุของความทุกข์นี่คือการใช้อนิจังทุกขังอนัตตามาดับความอยากต่างๆอยากอยู่แล้วอยู่ได้หรือเปล่าถ้าร่างกายมันจะตายอยากอย่างไรมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องตายอยู่ดี ถ้าอยากอยู่ก็จะทุกข์ถ้าหยุดความอยากอยู่ได้ก็จะหายทุกข์จะหยุดอยากความอยู่อยากอยู่ได้ก็ต้องเห็นว่ามันร่างกายเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้มันไม่ใช่ของเรามันเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเราไปสั่งให้ร่างกายของคนอื่นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือเปล่าแต่ทาไมเราไม่เดือดร้อนกับร่างกายของคนอื่นเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตาย ก็เพราะว่าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองจันใดถ้าเรามองร่างกายของเราว่าเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลามันแก่มันเจ็บมันตายมันก็จะไม่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราจะเห็นอริยศาสตร์ว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นแล้วเราก็จะใช้ ปัญญาคือายรักหรือใช้อสุภะหรือใช้อ า, อาหาเรเยปฏิกรละสัญญามาเป็นเครื่องหยุดตันหาความอยากต่างๆถ้าเรามีปัญญามีายรักมีอสุภะมีอาหาเรเยปฏิกูลสัญญาเราจะสามารถละความอยากดับความอยากหยุดความอยากต่างๆได้หมดเลยนี่แหละคือวิธีที่จะรักษาความสุข ที่เราได้จากการทำใจให้สงบรักษาด้วยการทำลายสิ่งที่จะมาทำลายความสงบนี้สิ่งที่จะมาทำลายความสงบ ก, ก็คือความอยากต่งตางๆพอออกจากสมาธิมาก็อยากดื่มกาแฟอยากกินขนมทั้งๆที่ยังไม่ใช่เป็นเวลาที่จะดื่มหรือจะรับประทานถ้าอยากจะดื่มเพื่อร่างกายเพราะร่างกายขาดน้ำก็เอาน้ำมาดื่มอย่าไปเอากาแฟ กาแฟนี้มันนอกจากนั้นมันมีน้ําแล้วมันมีรูปเสียงกลิ่นรสติดมาด้วยมันทําให้เกิดกามฉันทะขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วถ้าดื่มแล้วมันก็จะอยากดื่มไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดมันก็จะไม่สามารถรักษาความสุขที่ได้จากความสงบไว้ได้ดังั้นต้องฝืนความอยากทุกรูปแบบที่จะมาทําลายความสงบของใจ นี่คือขั้นของวิปัสสนาถ้าได้เข้าถึงขั้นนี้แล้วก็จะสามารถที่จะทำลายความอยากให้หมดไปทำลายความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้หมดไปเมื่อหมดแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทำลายความสงบที่ได้จากมามาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบอีกต่อไปใจก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดเรียกว่าเป็นปรมาหมายสุขขังนั่นเอง เป็นบำลมบสุขเป็นสุขของพระนิพพานพระนิพพานก็คือใจที่ปราศจากความอยากนั่นเองใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันความอยากกับความโลภความโกรธความหลงนี้มันตัวเดียวกันต่างแต่ชื่อเท่านั้นเองเหมือนคนคนเดียวกันมีหลายชื่อมีชื่อเล่นมีชื่อจริงแต่ก็เป็นคนเดียวกัน ตัณหาความอยากกิเลสความโลภความโกรธความหลงนี้ก็เป็นตัวเดียวกันเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจเหมือนกันถ้ามีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นอนุสุภะเห็นอาหารใน ป, ปฏิกริ ล, ลสัญญาก็จะสามารถทำลายกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอใจบริสุทธิ์ก็เรียกว่าเป็นนิพพานเป็นพระพุทธเจ้าทา ทำใจของตนเองให้บริสุทธิ์ได้ด้วยการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีศึกษาวิธีที่จะทําให้ใจบริสุทธิ์ได้ด้วยตนเองก็เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระอาหารหันตสาวกแต่ใจเหมือนกันสะอาดเหมือนกันต่างกันตรงที่สถานภาพพระพุทธเจ้าต้องศึกษาวิธีชําระใจเองเพราะไม่มีใครรู้วิธีส่วน พระอาหลานตสาวกนี้เป็นพวกที่พระพุทธเจ้าเป็นคนสอนสอนแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ทําใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจก็สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกันใจของพุทธเจ้าใจของพระอาหลานตสาวกทุกลูกทุกองค์นี้บริสุทธิ์เหมือนกันหมดเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราเาเข้าไปซักในเครื่องซักผ้านี่ ทุกตัวนี้มันจะสะอาดเหมือนกันหมดไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของความบริสุทธิ์แต่ในเรื่องของบา ร, รมีนี้ยังมีความต่างกันอยู่บา ร, รมีคือปัญญาบา ร, รมีเช่นปัญญาบา ร, รมีบางผ้าหรืบางรูปก็มีไม่เต็มร้อยมีบางท่านก็มีเกินร้อย อย่างพระพุทธเจ้านี้มีเกินร้อยภาษาริบุตรก็รองจากพระพุทธเจ้ามีบารมีทางด้านปัญญามากสามารถอบสั่งสอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้ส่วนนางท่านก็มีบารมีทางอภิญญามีความรู้มีตาทิพย์หูทิพย์เหาเหินเดินอากาศได้แต่บารมีเหล่านี้ไม่มีความหมายอะไรไม่เกี่ยวกับการทําใจให้สงบ อันนี้เป็นความรู้พิเศษที่มีหรือไม่มีก็ไม่เป็นปไม่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญต้องมีปัญญาที่เห็นตายรักเห็นอสุภะเห็นอาหาเรเลยปฏิกูลสัญญาที่จะดับความทุกข์ใจดับกิเลสตัณหาที่ทาให้เกิดความทุกข์ใจได้เท่านั้นส่วนความรู้อย่างอื่นนี้เป็นความรู้เสริมความรู้พิเศษบารมีเสริมบางท่านก็มีทานบารมีมาก ไปไหนอยู่ที่ไหนก็มีลาบส ก, การะมากกว่าบางองค์บางองค์นี้ไม่มีบารมีเลยไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเลยบางองค์ก็สั่งสอนอบรมมีคนมาฟังเทศฟังธรรมกันเป็นจํานวนมากบางองค์ก็ไม่มีมีก็น้อยเพราะความสามารถนี้มีความแตกต่างกันไปแต่ความบริสุทธิ์ของใจนี้เหมือนกันไม่มีกิเลสเหมือนกันไม่มีความอยากเหมือนกันะ นี่คือความแตกต่างระหว่าง เ, าเรื่องของจิตใจของภาษาวุคแต่ละรูปมีความแตกต่างกันในความรู้ความสามารถพิเศษเความสามารถที่จะตัดกิเลสทำลายตัณหานี้มีเท่ากันทำได้จิตบริสุทธิ์เหมือนกันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันมีบรมสุขคือปรมังสุขขังเหมือนกันนี่คือการสร้างภาพลักตย ให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจด้วยการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราศึกษาจากภายนอกดูประวัติของพระพุทธเจ้าดูประวัติของพระอริยสงสาวกปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกแล้วเราก็จะได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปดิสฐานอยู่ภายในใจของพวกเราพอมีแล้วใจของเราก็จะปราศจากความทุกข์ อย่างนั้นหน้าที่ของพวกเราก็อยู่ตรงที่การศึกษาและการปฏิบัตินี่องอย่าไปหลงกับการที่ไปหาพระพุทธเจ้าตามสถานที่ต่างๆบางท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเคยสเสด็จมาที่นี่สเสด็จมาที่นั่นไปก็ไม่เจอถึงแม้ใจเกิดอยู่ประเทศอินเดียไปก็ไม่เจอพระพุทธเจ้าจะเจอก็แต่ทราบผลัหักพังที่ประทับของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง จะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าที่แท้จริงจะไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นมาภายในใจได้และเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการศึกษาและการปฏิบัติจนกว่าจะบรรลุธรรมได้เท่านั้นดังนั้นขอให้พวกเราอย่าหลงประเด็นขอให้เราต้องไปสู่การศึกษาสู่การปฏิบัติเรื่องทาอะไรต่างๆนี้ควรที่จะทาให้มันน้อยที่สุดทาเท่าที่จาเป็น สิ่งที่ควรจะทำให้มากก็คือการศึกษาและการปฏิบัติเพราะนี่เป็นแก่นของของการเอาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ภายในใจของพวกเรานั่นเองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราตาริปุเรนติสากรัง เอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกัรปติอิชิตตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจัตุสภพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาละโสยธามณิโชติระโสยธาสัพจโติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควีนะสตุ มาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสิลิะนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมาวะฏานติอายุวโนสุขังพลาล่งลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงฐานตอบปัญหาธรรม ท่านผู้ใดยอยากจะถามคำถามก็ขอเชิญขึ้ น, นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้เลยขราพเจเรียนพระอาจารย์ครับอยากถามว่าคุณค่าของคนวัดที่บารมีหรือวัดที่ความสะอาดของจิตครับมันก็เหมือนกันะบารมีก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความสะอาดของจิตขึ้นมาแต่ถ้าเราดูจิตใจก็ต้องดูที่ความสะอาด ความสะอาดของใจนี้เป็นเครื่องวัดระดับคนก็ได้พระพุทธเจ้านี้มีความสะอาดเต็มร้อยพระอนาคามีก็ยังไม่เต็มร้อยพระสกิรดาคามีพระโสดาบันก็มีความสะอาดด้อยลงไปตามลําดับผู้ที่ทรงศีลก็ได้ยลงมาแล้วผู้ที่ไม่ทรงศีลปุถุชนธรรมดาธรรมดาแล้วก็คนทําบาปทํากรรมเนี่ย นี่อยู่ที่ความอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจสะอาดหรือไม่สะอาดโลภมากหรือโลภน้อยโลบโลภมากก็สกรปรกมากโลภน้อยก็ก็สะอาดอ ส, สกสกปรกน้อยไม่มีโลภเลยก็สะอาดอเพราะโลภแล้วมันมักจะนำไปสู่ความโกรธมักสู่พาไปสู่การกระทำบาปตามลำดับต่อไปอ กาใจแล้วยังบารมีก็คือเหตุที่จะทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์เช่นทานบารมีศีลบารมีจะเรียกว่าบารมีเป็นเครื่องซักพอกใจก็ได้ถ้ามีบารมีสิบก็ใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาอมีท่านนี้แหละอ่ะอ่นี่ใครอยากจะถามยกขึ้นมา กับนิมมสการพระอาจารย์ครับก็คือผมอยากจะเรียนถามนะครับอย่างเวลานั่งสมาธิก็คือจิตไม่ได้ฟุ้งซ่านแต่บางทีนั่งไปสักพักคือมันก็จะมีอาการเหมือนกับหลับอะไรอย่างเงี้ยฮะคือซึ่งจะมีอุบายแก้ไขยังไงครับพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิ ป, ปกติเราถือศีลแปหรือเปล่าก็ไม่ได้ถือศีลแปครับผม อ, อันนั้นก็เป็นอุปสรรคอันเองคนถ้าอยากจะนั่งสมาธิได้ผลการถือศีลแปดนี่จะช่วยเช่นการไม่รับประทานอาหาร หลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะทําใหา้อาการง่วงเหงาเหานอนนี้น้อยลงไปแต่ก็ยังมีอยู่ถ้าอยากจะให้มันน้อยลงไปวคนนั้นก็ต้องลดปริมาณการรับประทานหารลงไปเรื่อยๆอวิธีหนึ่งก็ต้องไปอยู่ตามสถานที่น่ากลัวถ้าบีตามสถานที่น่ากลัวนี่ความง่วงนอนมันจะไม่ค่อยเกินเนดนะ พูทถามาพูดถ่านยังไงก็คือจิตก็คือถ้าไปสถานที่ที่น่ากลัวหรือแบบวิเวกวางเรียงก็คือจิตจะตื่นตัวตลอดใช่ครับครับผมแต่ถ้ามันอยู่ไปชินแล้วมันก็อาจจะไม่ตื่นตัวก็ต้องเปลี่ยนที่ใหม่ครับนะคือเหมือนกับว่าอย่างผมก็ทํางานอยู่ในกรุงเทพอย่างตอนเย็นคือตอนคืนหลังจากสวดมนต์ไหว้พระเสร็จก็คือจะมีนั่งภาวนาครับก็คือแต่ก็จิตไม่ได้ฟุ้งซ่านไม่ได้อะไรก็คือพอเหมือนกับจิตรวมเสร็จพอสักระยะหนึ่งเหมือนกัว่า ก็จะมีพลังครับผมง่วงนอนครับผมส่วนหนึ่งก็เพราะเราทำงานใช้แรงงานร่างกายก็เหนื่อยอีกส่วนหนึ่งเราก็รับประทานอาหารเย็นลองไม่รับประทานอาหารเย็นดูหรือลองดูผลที่เกิดจากการปฏิบัติในวันที่เราไม่ได้ทำงานดูมันไม่ทำงานเราก็ถือศีลแปดไปแล้วเปรียบเทียบกันดูว่าผลมันต่างกันอย่างไรครับผม ไม่มีใครก็ถามผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้คำถามแรกจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตจะมีเพียงหนึ่งในนขณะนั้นเช่นมีสติไม่มีสติสงบฟุง้งซ่านซึ่งจะมีสภาวะใดสภาวะหนึ่งเพียงอันเดียวใช่หรือไม่คะมันก็ มันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นนะถ้ามันสงบมันก็จะไม่ฟุง้งซ่านคความสงบกับความฟุง้งซ่านมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันก็คงจะเป็นไปไม่ได้คำถามฝากถามข้อแรกในการแสดงธรรมเรื่องโลกุตระโลกียะเมื่อวานที่พระอาจารย์ได้แสดงถึงการละสังโยชน์เบื้องบนห้าข้อ ของทำระดับโลกุตระข้ออุทธจักความฟุ้งซ่านในที่นี้หมายความว่าความฟุ้งซ่านจากการพิจารณาธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อต้องการหลุดพ้นโดยเร็วเหมือนที่พระอานน์มีความอยากในการภาวนาที่จะให้บรรลุธรรมก่อนเข้าร่วมสังขยาณาพระไตรปิฎกครั้งแรกใช่หรือไม่คะก็คงจะเป็นอย่างนั้น พอท่านหยุดพิจารณาท่านปรงว่าไม่บรรลุแล้วท่านก็เลิกพิจารณาเลิกปฏิบัติพอเลิกปฏิบัติจิตก็หายฟุง้งจิตปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางความอยากที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมพอปล่อยแล้วก็ได้บรรลุธรรมขึ้นมาข้อสองค่ะจากท่านเดิมค่ะแล้วการภาวนาเพื่อให้ถึงอัปปนาสมาธิของธรรมระดับโลกียะนั้นเหมือนกับว่า ต้องทำให้จิตไม่พลากจากสติแม้แต่เสี้ยววินาทีถ้าบริกรรมพุทโธก็ต้องพุทโธจนขาดใจแม้จะต้องเจอทุกขเวทนาทางกายอย่างหนักขณะนั่งสมาธิหรือถ้าดูลมหายใจจนไม่มีลมให้สัมผัสก็ให้คิดว่าตายก็ตายเพียงเพียงแต่ไม่พลากจากผู้รู้เฉย ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยยกตัวอย่างคําสอนของหลวงปู่ขาวที่บอกว่าธรรมะอยู่ภาคตายตรงนี้หมายถึงยอมตายเพื่อให้ถึงความสงบขณะภาวนาถูกต้องหรือไม่คะก็ผู้ภาวนาที่ดูลมหายใจเข้าออกมักจะพบกับปัญหาคือความกลัวตายเวลาที่ลมละเอียดเข้าไปเรื่อยๆจนไม่สามารถสัมผัสรับรู้ได้ ก็เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาว่าเอ๊ะเราไม่มีลมหายใจเราจะตายหรือเปล่าก็รีบไ ข, ขว่คว้าหาหลมการไขว่คว้าหาหลมนี่มันก็เป็นการทำงานของจิตแทนที่จะอยู่เฉยๆแต่ว่ารู้มันก็เลยทำให้จิตที่กำลังจะละเอียดเต็มที่ต้องถอยออกมากลับมาเป็นจิตหยาบก็เลยไม่มีไม่ไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ ดวงตาท่านบอกว่าให้รู้ว่าหมดก็หมดไม่ต้องกลัวถ้าดาบไดมีผู้รู้อยู่ไม่ตายให้คิดอย่างนี้ตายเป็นตายไม่มีใครตายเพรา ะ, จะเจริญอนาปนานสติกันมีแต่บรรลุธรรมกันดังนั้นพอมาถึงขั้นที่ลมละเอียดจนลมหายไปก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปอยู่กับความไม่มีลมไปคอยดูว่ามีความคิดปรุงแต่งมีความวิตกกังวลอะไรหรือเปล่าแล้วพยายามตัดมันไป แล้วถ้าไม่มีอะไรมาลบกวนใจเดี๋ยวมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบของมันเองคำถามต่อมาจากคุณอาลีดิโลกรัฐธรรมะผ้าจารย์ง่ายชัดเจนผมอ่านแล้วเข้าใจแต่ตัวนิวรมันไม่ค่อยลดรู้ทั้งรู้แต่บางทีทำใจยากโดยเฉพาะความโกรธเฉพาะบุคคล เอามันออกจากจิตใต้สำนึกไม่ได้สักทีพอเห็นหน้าก็จะโกรธเกลียดทันทีสติตามไม่ทันเลยครับหรือมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามมาแต่ชาติปางก่อนทำอย่างไรดีครับต้องเจอหน้าคนคนนี้ทุกๆวันด้วยก็ซ้อมเรื่อยๆนึกถึงหน้าเขาแล้วก็พยายามทําใจไม่ให้ไปโกรธไปเกลียดเขาซ้อมไม่ก่อนตอนที่เราไม่เจอหน้าเขาเราก็นึกถึงหน้าเขาอยู่เรื่อย แล้วเวลานึกถึงหน้าเขาก็พยายามทําใจให้เฉยๆแล้วต่อไปเวลาเราไปเจอหน้าเขาเราก็จะได้ทําใจได้ต้องต้องมีการฝึกซ้อมเหมือนกับทหารหรือนักมวยก่อนที่จะขึ้นไปโชคบนเวทีเขาต้องซ้อมกับคู่คู่ซ้อมก่อนชกกระสอบทรายก่อน mm. พอขึ้นไปเจอคู่ต่อสู้มันก็เหมือนกัน mm. เคยซ้อมมาอย่างไร mm. ก็สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้ ถ้าไม่ซ้อมไว้ก่อนพอเจอแล้วมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงมันก็จะทําตามแบบเดิมอคอยโกรธคอยเกลียดมันก็จะโกรธเกลียดขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราเนื้อถึงหน้าเขาแล้วพยายามทาใจให้เฉยหรือว่าแผ่เมตตาใครคิดว่าเขาก็เป็นคนเราก็เป็นคนเขาก็อยากจะมีความสุขเราก็อยากจะมีความสุขเขาก็ไม่อยากจะให้ใครไปโกรธไปเกลียดเขาเราก็ไม่อยากจะให้ใครมาโกรธมาเกลียดเรา เราก็อย่าไปโกรธไปเกลียดเขาเหตุการ์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่ามันผ่านไปแล้วให้รู้จักให้อภัยอถ้าเราให้อภัยได้แล้วเราก็จะระงับความโกรธความเกลียดได้ตามยังไงยักระถามอีกไหอถามต่อเนื่นองเอาถามไปเลยจะได้ไม่ขาดตอนครับก็กราบเรียนพระอาจารย์ อยากจะสถามอีกเกี่ยวกับเรื่องการบวชครับอาจารย์ก็คือพอดีผมผมยังไม่ได้บวชแต่เพื่อนว่าก็คุณแม่ไม่ไม่สบายผมเป็นคนต่างจังหวัดที่ผมเกิดที่ร้อยเอ็ดครับผมก็ mm hmm. เลยกําลังพิจารณาอยู่ก็คือถ้ามีโอกาสก็และจังหวะที่เหมาะสมก็อยากจะบวชทดแทนอคุณพ่อกับคุณแม่นะครับแต่ตอนนี้ก็คุณแม่ก็รักษาตัวเอามารักษาตัวอยู่ที่ที่กรุงเทพก็เลยกาลังพิจารณาอยู่ว่าก็คื อ, อ ก็คือโดยโดยส่วนตัวผมก็จะชอบการปฏิบัติคือชอบกับวัดทางาสายพระแม่คูบาราจนะครับสายวัดปา่าหรือปกติก็จะไปทําบุญที่วัดตากุ้งเป็นประจาก็เลยคิดพิจารณาอยู่ว่าเราจะควรเลือกอสถานที่ปวดอาจจะในเมืองหรือหรือที่ต่างจังหวัดดีครับถ้าเป็นในเมืองผมมาพิจารณาเหมือนกับว่า ก็อาจจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนแม่ที่รักษาตัวอยู่หรือแต่ถ้าเป็นที่ต่างจังหวัดก็การการปฏิบัติก็อาจจะเป็นที่ที่เราชอบที่เราที่เราศรัทธาอยู่ครับผมตรงนี้สถานที่ที่ที่เลือกครับก็อยู่ที่ว่าเราต้องการผลจากการบวชทางไหนถ้าอยากจะบวชได้ให้แม่ใส่บาตรก็ไปบวชอยู่ใกล้ๆบ้านแม่จะได้ใส่บาตรทุกวัน ถ้าอยากจะบวชแล้วได้ปฏิบัติได้บรรลุผลก็ต้องไปอยู่วัดที่ห่างไกลจากเรื่องวุ่นวายต่างๆแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีพระปฏิบัติอย่างเข้มข้นครับผมนั่นก็อยู่ที่ว่าสาเหตุของการบวชของเรานี้บวช ด, ด้วยเหตุผลกลไกใดถ้าจะบวชเพื่อแม่ก็ ก, ก็ก็อยู่ใกล้แม่ไปให้แม่มีความสุขใจได้ใส่บาตรอะไรไป แต่บวชแบบนี้ก็ไม่ได้อะไรมากนะักครับผมถ้าอยากจะได้แก่นสารของพระพุทธศาสนาก็ต้องบวชแบบไม่ศึกครับบวชแล้วก็คือไม่ถอยหลังกลั บ, บถ้อยกลับก็อย่าไปบวชให้เสียเวลาก็ไปอยู่เป็นไปถือศีลแปดอยู่ในวัดเป็นผ้าขาวก็เหมือนกันครับผมไม่ต้องมาเสียเวลาพระต้องมานั่งบวชให้เราบวชกันไม่กี่วันก็เศึกกันไปครับผม ขอแยกเยนถามอาจารย์ครับคือตัวผมเคยบวชแล้วอ่ะครับแล้วคราวนี้มาทํางานที่บริษัทเนี่ยเขาอนุญาตให้บวชได้สามเดือนนี้ฮะถ้าจะบวชอีกรอบเนี่ยมันคือคนผู้ใหญ่จะเชื่อว่ามันไม่ดีอย่างเงี้ยมาชายสามโบนี้ผมผมผมผมไม่เชื่อนะผมผมอยากจะบวชอีกรอบแต่คราวนี้ทางแม่ก็จะจะพยายามลังไว้อย่างเงี้ยที่เขาว่าไม่ดีเพราะว่าโบราณเขาคิดว่าการบวชนี่ต้องบวชกันอย่างจริงจังบวชแล้วไม่สึกเข้าใจไหมครับถ้าบวชแล้วสึกเนี่แบบคนโลเล บวชแล้วเดี๋ยวพอเบื่อก็สึกขับพอสึกออกมาแล้วเดี๋ยวเบื่อเป็นคาราว่าก็บวชใหมอ่อีก น, นี่มันก็จะโลเลบวชไปบวชมาอย่างนั้นไปไม่ถึงไหนเข้าใจไหมครับนี่คือความคิดสำหรับเรื่องชายสามบวชแต่ถ้าเราคิดว่าการบวชนี้เป็นเหมือนกับการไปไปปฏิบัติชั่วคราวก็โอเคไม่เห็นมีปัญหาเลยแต่ก็อย่าไปหวังอะไรให้มันเป็นก่อเป็นกรรมมากจนเกินไป เหมือนกับการปลูกต้นไม้สามเดือนแล้วก็ถอนมันขึ้นมาไม่ไม่ฝังดินต่อตอน้นไม้เดี๋ยวมันก็ตายไปทำในต่างๆที่เราได้จากการบวดมาพอเรากลับมาเป็นคารวาแล้วเราไม่รักษา ม, มันต่อไม่ปฏิบัติต่อเดี๋ยวมันก็หายไปหมดนั้นเราต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมที่จะได้สิ่งที่เสียในสิ่งที่เราได้มาหรือเปล่าเฉนั้นมันก็เหมือนกระศูน ก็อย่างตอนที่บวชเป็นพระเนี่ยครับทำไมนั่งสมาธิมันเข้าสมาธิได้ได้ลึกมากแล้วก็ดีมากครับแต่พอมาเป็นคาราวะาเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยครับเข้าใจมันไม่ต้องคิดเหมือนเป็นคาราวะาเนี่ยเป็นคาราวะานี้ใจต้องคิดเรื่องมากเรื่องงานเรื่องการเรื่องแม่เรื่องบ้านเรื่องอะไรต่างๆมันคิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นรถกับมันวิ่งร้อยยี่กิโลอยู่ตลอดเวลาพอมาเป็นพระนี่ไม่มีเรื่องคิดกับมือนรถวิ่งแค่20กิโลมันก็เลยหยุดง่ายกว่า ขอข้อพุดทรณ์ครับอาจารย์อยากทราบว่าการปรารถนาพุทธภูมิครับความอยากเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยครับมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งแบบทำให้เราต้อง เ, อเกิดมาบำเป็นทานสิ่งภาวนาไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เคยเข้าถึงในเรื่องอวิปัสน า, าเลยครับอันนี้ไม่เป็นกิเลสป่ะครับไม่เป็นกิเลสหรอกการปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอนันตนี่เป็นธรรมถ้าไม่มีความปรารถนาเราจะเป็นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีการปรารถนา แต่ความปรารถนานี้ท่านไม่ได้ไปเล็งที่คําว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์ตอนที่พระธเจ้าออบวชนี้ท่านไม่ได้บอกว่าท่านต้องการเป็นพระพุทธเจ้าท่านต้องการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายดังั <c oughs> ้นเป้าหมายของการการบวชหรือการปฏิบัตินี้ต้องไปอยู่ที่การหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่อยู่ที่การเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอาหารหันต์ อันนั้นอันนั้นมันเป็นผลที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเรา ห, รา네หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตาเกิดเราก็ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราหลุดพ้นได้ด้วยตนเองไม่มีใครสอนเราเราก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครสอนก็เลยต้องสอนตนเองศึกษาด้วยตนเองจนในที่สุดก็ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นพระพุทธเจ้า ส่วนภาษาวกนี้ก็โชคดีไม่ต้องไม่ต้องสอนตัวเองไม่ต้องค้นหาทางด้วยตนเองมีคนบอกทางมีคนสอนแล้วก็ง่ายกว่าพระพุทธเจ้าหลายล้านเท่าถ้าพวกเราไม่มีพระพุทธเจ้านี้ต่อให้เราปฏิบัติเข้มข้นขนาดไหนก็ตามอีกกี่กับกี่การก็ไม่มีวันที่จะดุดทนจากการเย็นว่าตายเกิดได้นังไงขอให้เราทําความเข้าใจความหมายของการปรารถนาว่าเรา ความปรารถนาที่แท้จริงควรปรารถนาเพื่อการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนีจะจะหลุดพ้นด้วยวิธีใดนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาวะของเราและภาวะของโลกถ้าเรามีไม่มีบารมีพอเราก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้ด้วยตนเองได้แต่ถ้าเราไม่มีบารมีพอแต่เราได้มาเจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมคำสอนเราก็อาศัยบารมีของพระพุทธเจ้ามาเสริมมาเติมได้ เราก็จะสามารถที่จะดุดพ้นได้ภายในภพนี้ชาตินี้ได้งั้นอย่าไปยึดติดกับคําว่าพุทธเป็นอุพุทธภูมิเช่นบางท่านหรือบางองค์ท่านยึดติดอย่างนั้นเช่นหลวงปู่มั่นเคยได้ว่ามีคนเล่านะไม่รู้ว่าจริงแค่ยังไงว่าท่านติดกับพุทธภูมิท่านอยากจะสร้างบารมีเช่นทานบารมี อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นก่อนที่จะช่วยเหลือตอนเองเนี่ยช่วยไปถึงอายุ60 mm hmm. ก็ยังไม่บรรลุก็เลยรู้ว่าอันนี้เป็นอุปสรรคละแทนที่จะเป็นสิ่งที่เสริมในการให้หลุดพ้นกลับเป็นอุปสรรคเป็นกิเลส ข, ขึ้นมาได้ mm hmm. เพราะทางมีเดินไม่เดินเวลาที่ควรจะไปบำเพ็ญไม่ไปบำเพ็ญแทนที่จะไปปีกไม่เวกอยู่ตามลาพังบำเพ็ญเพื่อให้ได้หลุดพน้น mm hmm. ก็มาห่วงกับหมู่คณะ คอยสั่งคอยสอนคอยนำพาหมู่คณะให้ปฏิบัติธรรมกันตอนนี้ก็เลยไม่ได้ก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงเสียทีพอตอนหลังพิจารณาเสร็จก็เลยทิ้งหมดลยหมู่คณะต่างๆปิกวิเวกไปอยู่เชียงใหม่อยู่10ปีช่วงอายุ60ถึง70นี้ทราบว่าท่านบรรลุที่เชียงใหม่แล้วพอ70แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ตามไปขอขอให้ท่านได้มาช่วยมาโปรด ตอนนั้นท่านก็กลับมาโปรดแต่ตอนน้ท่านไม่เดือดร้อนแล้วท่านทำงานของท่านเสร็จแล้วท่านก็กลับมาโปรดได้สิบปีมาอยู่แถวสกล น, นครหลวงตา ก, ก็ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาได้ปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่มั่นในช่วงนั้นอุบาอาจารย์ต่างๆที่มีชื่อมีเสียงในทุกวันนี้ก็ได้ศึกษาได้ร่ำเรียนกับท่านในช่วงนั้นกันอันนี้เข้าใจไหมเข้าใจครับ หาข้อต่อไปค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะความแตกต่างระหว่างคนรู้ธรรมกับคนมีธรรมในใจคือใจที่มีกิเลสกับใจไม่มีกิเลสหรือกิเลสเบาบางลงตามสภาวะธรรมในใจแต่ละขั้นใช่ไหมคะเพราะดูเห็นบางคอมเมนต์ที่มาแย้งคำสอนของพระอาจารย์ที่มีการโพสต์ในเฟ e บุ o k สังเกตว่า เขาจะมาแย้งในหัวข้อที่พระอาจารย์อธิบายเรื่องจิตซึ่งเขาก็ยกตัวอย่างในพระไตรปิฎกทั้งๆ ท, ที่พระอาจารย์ก็สอนว่าสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติมันเป็นอจินไตยอยู่เหนือวิสัยที่จะรู้ได้เรื่องจิตถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่เห็นความสามารถของจิตและจะไม่รู้ว่าจิตนี้เป็นอย่างไรก็คือการรู้นี่มันมีสองระดับ รู้ระดับป ร, ปริยัติกับรู้ระดับปฏิบัติรู้ระดับปริยัตินี้พระพุทธเจ้าบอกว่าใบาลานเปล่ามีพระชื่อพระโปธิรัสท่านก็รู้พระไตรปิฎกคําสอนพระพุทธเจ้าที่ส่งสอนไว้ทั้งหมดในพระโพธิรัสจําได้หมดแต่เวลาพระพุทธเจ้าเจอพระโพธิลัสท่านก็บอกใบาลานเปล่าก็คือว่ามีแต่ความรู้ที่เป็นแบบใบาลานอยู่ข้างนอกอย่างที่วันนี้แสดงให้ฟัง มีแต่ทานอกไม่มีทาในาพอพูดบ่อยๆเข้าก็เลยเกิดสะกิดใจขึ้นมาก็เลยคิดว่าเอ้นี่เรามันยังหลงอยู่เรายังไม่รู้จริงก็เลยไปหาผู้รู้จริงคือไปหาพระอรหันต์ไปขอปฏิบัติกับท่านไปศึกษาจากท่านท่านก็เล่นดัดสันดานไม่ยอมสอนบังคับให้ให้ไปขอสัมมนเนนที่เป็นพระอาหารหันต์เพื่อจะได้ลดมานะทิฐิ การถือตัวถือว่าตัวเองเรียนจบพระไตรปิฎกรู้มากว่าจะยอมรับสัมมเนนที่เป็นเพียงเด็กนี่สอนหรือเปล่าท่านก็ยอมรับว่าสัมมเนนนี่เป็นผู้รู้จริงท่านไม่ใช่เป็นผู้รู้จริงก็ยินดีที่จะรับการศึกษาจากสัมมเนนแต่ก่อนจะศึกษาสมมเนนก็ต้องทดสอบใจดูก่อนว่าเชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติเป็นลูกศิษย์ได้หรือไม่ ก็จับมาถูบ้านทูกุฏิกวาดทูกุฏิล้างบกุกล้างบาทซักจีวรให้รับใช้อะไรต่างๆนาะ่ยนะบางทีสมณะเนรก็แก้งบอกให้ลุย ล, ลุยลงไปในน้าให้ไปเอาของในน้ำพอไปตัวเปียกครึ่งทางก็บอกไม่เอาละเปลี่ยนใจ <c oughs> ท่านก็ไม่มีแสดงอาการโกรธเกลียดโมโหโทโสหรืออะไรเคารพนับถือสมณเนรเหมือนเป็นครูบาอาจารย์จริงๆ จนสัมเณเห็นว่าเชื่อฟังแล้วลถมานะทิฏฐิได้แล้วก็เลยสั่งสอนถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าอยากจะมาขอกาแฟแต่ในถ้วยยังมีกาแฟเก่าอยู่ถ้าไม่เทกาแฟเก่าออกเดี๋ยวกาแฟใหม่ใส่เข้าไปมันก็ใส่ได้นิดเดียวแล้วก็ปนกับกาแฟเก่าเดี๋ยวมันก็จะกินแล้วไม่ได้ลดไม่ได้ชางนั้นสา ม, มเณต้องบังคับให้ท่านเทกาแฟเก่าออกไปให้หมด ความรู้ต่างๆที่ท่านเรียนรู้ให้โยนทิ้งไปหมดเลยแล้วมาเรียนใหม่กับสา ม, มเณรอีกทีเนหะมือนกับหลวงตาเวลาไปไปกราบหลวงปู่มั่นไปขอพั ก, พกอยู่ครั้งแรกหลวงปู่ท่านก็บอกว่าความรู้ทั้งหลายที่ท่านเรียนมาจบป ร, ริญญาสารประโยคนี้ยังไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์ขอให้แขวนเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอามาใช้ขอให้มาทําใจให้สงบก่อนถ้าเชื่อฟังทําตามที่ท่าน ปฏิบัติปฏิบัติตามได้ก็จะได้ผลเพราะถ้าไปคิดว่าตัวเองรู้นู่นรู้นี่พอหลวงปู่ท่านเทศอะไรขึ้นมาเดี๋ยวก็จะไปเถียงกันในใจเอ้ยปริญัติบอกอย่างนี้เนี่ยหลวงปู่บอกอย่างนี้เนี่ยออย่างท่านคึกฤทธิ์กับหลวงหลวงตาก็เถียงกันไปเถียงกันมามันก็เลยไม่ได้ปฏิบัติกันดังนั้นผู้ที่อยากจะมีอาจารย์นี่จะต้องละทิฏฐิของตนความรู้ความเห็นต่างๆที่ตัวเองได้ศึกษามา ก็ไม่ให้โยนทิ้งไปเพียงแต่แขวนไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอามาเอามาเอามาเป็นอุปสรรคลองฟังเสียงของครูบาอาจารย์ดูก่อนลองปฏิบัติตามที่ท่านสอนก่อนแล้วดูว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลก่อนแล้วค่อยมาว่ากันใหม่อันนี้ก็คือเรื่องของความรู้ของสองแบบรู้แบบปริยัติกับรู้แบบปฏิบัติผู้ที่รู้แบบปฏิบัตินี่คเป็นผู้ที่รู้อย่างแท้จริงเพราะตัดกิเลสได้ ตัดความโลภความโกรธความหลงหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ส่วนผู้รู้ทางปริยัตนินี้ตัดอะไรไม่ได้เลยมานะให้ดูตรงนี้ความรู้ที่แท้จริงต้องเป็นความรู้ที่ดับความทุกข์ได้ละตัณหาได้ละกิเลสได้ถึงจะเป็นความรู้ที่แท้จริงคําถามฝากถามค่ะพ่อเป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากแม่เสียชีวิตค่ะ อาการพ่อหนักถึงขั้นต้องไปหาจิตแพทย์พ่อไม่สนใจธรรมะและไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลยหนูรู้สึกไม่ดีที่ช่วยพ่อไม่ได้เลยทั้งๆ ท, ที่เราเห็นหมอซึ่งก็คือครูบาอาจารย์และเห็นโรงพยาบาลซึ่งก็คือวัดที่สามารถให้ยาพ่อได้แต่หนูกลับพาพ่อมารักษาไม่ได้ขอพระ อ, อาจารย์ช่วยแนะนําวิธีวางใจด้วยค่ะก็ให้คิด ว่าจัตทั้งหลายมีการเป็นของของตนจะทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเนี่ยตอนนี้พ่อกําลังรับผลของของความไม่เชื่อของการมีมิจฉาทิฏฐนะิก็เลยต้องรับผลก็คือต้องซึมเศร้าต้องทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะไม่เชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้สามารถที่จะรักษาความซึมเศร้าของตนให้หายไปได้คําถามฝากถามค่ะ ข้อแรกคารวาที่ปฏิบัติธรรมหวังโสดาปฏิมักและโสดาปฏิผลจําเป็นต้องละความรักความชอบความยินดีทั้งหมดหรือ ไ, ม, ไม่คะไม่ก็สังโยชน์มีสามข้อไงให้ละความรักในร่างกายเนี่ยรักตัวเราเพราะหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็น ตุกาตาตัวหนึ่งที่เราได้มาจากพ่อจากแม่ที่สักวันหนึ่งจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเวลามันแก่มันเจ็บมันตายก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยมันไปเป็นตามตามสภาพความเป็นจริงใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อันนี้ได้ก็จะบรรลุเป็นโสดาบันได้ ข้อสองค่ะเคยได้ยินมาว่ากัลยาณมิตรคือที่สุดของพรหมจรรย์นั่นคือเพื่อนนอกและตัวเองต้องมีเพื่อนในคือโยนิโสมนสิการด้วยอยากขอความกรุณาให้พระอาจารย์อธิบายและยกตัวอย่างประกอบค่ะก็กัลยาณมิมิตรนอกก็คือครูบาอาจารย์เนี่ พระอริยสงสารุกทั้งหลายนี้ก็ถือว่าเป็นกาลยานิมิตนอกส่วนกาลยานิมิตในก็คือความคิดปรุงแต่งของเราที่คิดไปในทางธรรมนั่นเองถ้าเราคิดไปในทางธรรมเราก็มีเพื่อนอยู่ภายในใจแล้วกาลยณะกาลยานิมิตในที่สําคัญกว่านอกเพราะมันคอยกระซิปใส่ใจเราอยู่ตลอดเวลาครูบาอาจารย์นานๆนจะเจอกันทักทีแต่ใจของเรานความคิดของเรานี่มัน กระซิบบอกเราอยู่เรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่เป็นมิตรแต่สิ่มันจะเป็นศัตรูซะมากกว่ามันชอบชวนเราไปกินไปดื่มไปเที่ยวมันอันนี้แหละคือศัตรูที่แท้จริงคือความคิดปรุงแต่งไปในทางความโลภความโกรธความหลงส่วนมิตรที่แท้จริงมิตรภายในที่แท้จริงก็มิตรที่คิดไปในทางธรรมมิตรที่คิดไปในทางการละความโลภความโกรธความหลงละความอยากต่างๆ คำถามต่อมาค่ะถ้ายังต้องทำงานหาเงินอยู่และปฏิบัติธรรมไปด้วยอยากขอให้พระอาจารย์แนะนำและอธิบายในหัวข้อการงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสนว่าควรทำงานประมาณไหนเจ้าคะหรือมีหลักการทำงานอย่างไรเจ้าคะคือการทำงานทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีมันก็มีผลจะได้ผลมากผลน้อยก็อยู่ที่ เวลาที่เราให้กับการงานนั้นถ้าเราให้เวลากับการงานทางโลกมากเราก็จะได้ผลทางโลกมากแต่เราก็จะมีเวลาให้กับการทําเำงานทางธรรมน้อยผลทางธรรมมันก็จะน้อยดังนั้นมันก็อยู่ที่เราว่าเราต้องการผลทางไหนมากกว่ากันถ้าเราต้องการผลทางโลกมากเราก็ให้เวลากับทางโลกไปมากกว่าทางธรรม ถ้าเราอยากจะได้ผลทางธรรมมากกว่าทางโลกเราก็ต้องให้เวลากับการทำงานทางธรรมให้มากขึ้นมันก็แค่นี้มันก็เรื่องของเหตุของผลเองอมีใครอยากจะถามอีกไหมจะปิดรายการแนละ้วอ่ะยกขึ้นมาการทำบุญนั้นคือในสังคมไทยที่เห็นในปัจจุบันนั้นเขาชอบเน้นในการทำทานกันแล้วค่อยไล่ไปศีลภาวนา นี่เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจลดกิเลสไปตามลำดับใช่หรือไม่ครับมันก็เป็นการเหมือนเรียนหนังสือขั้นต้นก็ต้องเข้าอนุบาลก่อนก่อนที่จะเข้าสู่ชั้นปถมชั้นมัธยมได้การทำทานนี้ก็เป็นชั้นปฐมของการชั้นอนุบาลของการปฏิบัติถ้าทำทานได้แล้วต่อไปก็จะรักษาศีลได้รักษาศีลห้าได้ก็จะรักษาศีลแปดได้รักษาศีลแปดได้ก็จะภาวนาได้นะครับ มันก็เป็นการพัฒนาขึ้นไปตามลำดับกระจกสิ่งที่สะท้อนในการปฏิบัติรถถึงไหนคืออะไรหรือครับก็เกเลนน้อยลงแล้วเพิ่มมากขึ้นกับรังถามอาจารย์ข้อสุดท้ายนะครับก็คือหลักการปฏิบัติก็คือสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวสติใช่หรือไม่ครับเหมือนกับว่าอย่างบางทีเราใช้ชีวิตประจาวันไม่ว่า ทำกิจการงานปกติถ้าเหมือนว่าจิตมันไหลไปสู่ที่ต่ำเรื่องอะไรถ้าเรามีสติเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราพยายามปฏิบัติให้มันเป็นประจําสม่ําเสมอคือให้รู้ตลอดเนี่ยคือคือเป็นตัวสําคัญที่สุดใช่ไหมครับใช่เราะสติมันจะหยุดได้ถ้าเราคิดไปในทางที่ไม่ดีถ้าเรามีสติแล้วก็จะหยุดมันได้ครับผมแล้วเราก็สั่งให้มันคิดไปในทางที่ดีได้ด้วยสติครับผมคือต้องต้องฝึกก็คือพยายาม ต้องเตือนตัวเองตลอดต้องมีสติตลอดเลยใช่ไหมให้คือเหมือนกับให้ชำนิชำนาญเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์สติก็คือการระลึกเรื่ให้อยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้ไม่คิดปรุงแต่งเวลาที่เราคิดปรุงแต่งนี้แสดงว่าเราไม่มีสติแล้วครับผมนอกจากเวลาที่เราคิดด้วยสติคือคิดกับเรื่องการงานคิดกับเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไม่เป็นไรใช้ได้แต่ถ้าคิดแบบเพ้อเจอ้อรื่อยเปื่อย คิดแบบเพ้อฝันอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติครับผมพอาจารย์ครับแล้วอยากสอบถามครับว่าสมาธิเนี่ยทำไม่เกิดสติสติทําไม่เกิดสมาธิอะครับสติทําให้เกิดสมาธิสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลแต่ถ้าเกิดเรานั่งสมาธิไปเรื่อยเนี่ยสติมันก็จะจะจ ะ, จ ะ, จะมีมากขึ้นนะครับเอถ้าเราจะนอนสติมันก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ เวลานั่งสมาธิก็คือกํารเราเอากำลังเจริญสตินั่นเองเพอะพอจิตสงบแล้วเราก็ไม่ต้องเจริญสติพอเป็นสมาธิแล้วจิตก็ไม่ละสติก็ไม่ต้องเจริญเราถ้าเกิดเราได้สมาธิแล้วเนี่ยมาอยู่ระหว่างเพียงที่เป็นประจวันเนี่ยครับสติก็จะมีด้วยหรือว่าเราต้องฝึกไปด้วยครับเสมาธินี่หมายถึงขณะที่จิตเป็นสงบนิ่งอยู่ไม่ได้ทําอะไร พอเราออกจากสมาธิมาพอเราไปทำอะไรถ้าเราไม่ใช้สติรักษาจิตไว้เดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ครับมผมครับก็ผมอยากเปถามพระอาจารย์อาจจะคริสติคนนิดหน่อยนะครับ<ม>คือเออผมจริงจริงผมมันเห็นคาวราวะปฏิบัติต่างๆ่าง่อีก็อาจจะ ป, ปฏิบัติเด ก, กับพระสงฆ์อีกนะก็เลยถามว่า เราจะรู้ว่าไงว่าเราสําเร็จหรือไม่สําเร็จหรือเป็นเจ้าบับหรือไม่เป็นใครพิสูจน์ได้หรือใครบอกครับอันนี้อักขันแลนอันสองนะครับจากจากพระไตรบิกและศาสนาพุทธเนี่ยมาแต่เดียวที่เดียวกันนะฮะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยทําไมมีความแตกต่างมากในในในสงเองฮะเช่นการทาบุญเน้นความใดญ่โตความอะไรแล้วก็พระสงบางท่านก็ไม่ทราบว่าแยกแย ะ, แยะกิเลส ย, ยังไงครับ มาอ oh. ท่านก็อยากจะมีคน<ม>เรามีความเห็นแตกต่างกันไงในบ้านของคนเองยังมีความแตกต่างกันเลยกินกับข้าวยังกินไม่เหมือนกันเลยใส่เสื้อผ้ายังใช้สีไม่เหมือนกันเลยเนี่ยเพราะคนมันแตกต่างกันพอมันมาอยู่รวมกันมันก็จะทำอะไรที่แตกต่างกันไปแต่ความจริงแนละ้วพระพุทธเจ้าก็ทรงมีธรรมที่สอนให้ให้เหมือนกันแต่คนที่าบวช เลย ม, มาศึกษามาปฏิบัติตามคำสอนมักจะไม่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามักจะฟังความคิดของตนเองจึงทำให้เกิดความแตกต่างเหล่านี้เกิดขึ้นมาส่วนเรื่องของผลที่เกิดจากการปฏิบัติเราจะไดร้รู้ได้อย่างไรก็เราจะรู้ว่าความทุกข์ของเรามันน้อยลงไปมันหายไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ถึงแม้่เราจะไม่รู้ว่าจะเป็นขั้นไหนก็ตาม แต่ถ้าเราไปอ่านไปอ่านตำราดูแล้วเราอ่านถึงจุดนี้เราได้ทำอย่างนี้แลวเราได้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราได้ถึงขั้นนี้แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้อ่านตำราหรือไม่มีครูบาอาจารย์สอนบอกเราเราก็จะไม่รู้ว่าเราอยู่ขั้นไหนเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเราไม่ทุกข like ์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเช่นเราไม่ทุกข์กับความแก่แล้วเราไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราไม่ทุกก <conteú motorcycles S 2> ับความตายแล้ว อย่างนี้มันก็เป็นขั้นหนึ่งแล้วสุดท้ายนะจุดท้ายสุดท้ายครับข อ, ขอถามว่าหน้าที่ของผู้ศทธาพิกชนในการปกป้องออ พ, รอพระพุทธศาสนาเช่นพระพุทธรูปพระสั ญ, ญลักษณ์ต่างๆนี่มีลิมิตอะไรยังไงครับห น, หน้าที่ของหน้าที่ของุทศาสนาก็คือให้น้อมเาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจ ส่วนพระพุทธธรรมพระสงฆ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเขาจะระเบิดพระพุทธรูปก็ปล่อยก็ระเบิดไปเข้าใจไอมไม่ต้องไปทุกข์กับมันเอาแล้วนะหลงวลแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความจเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ